มีแต่คนฝึกพูดให้เก่งน้อยนักที่จะฝึกไม่พูดให้ชำนาญถ้ามีเรื่องให้ฝึกที่จะไม่พูดถึงขอให้รู้ว่านั่นคือโอกาสก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางสมาธิทางโลกคุณจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นควบคุมสถานการณ์ได้เท่าที่เห็นควรทางสมาธิคุณจะมีความฝึกอดที่ชัดเจนเอาไว้ฝึกขันติอย่างถูกวิธี คือเห็นความอึดอัดมากอยากพูดให้ได้ในลมหายใจหนึ่งแล้วเห็นความอึดอัดน้อยลงไม่พูดก็ได้ในลมหายใจต่อมาหลายเรื่องในโลกรู้แล้วทำให้คันปากอยากบอกให้ใครต่อใครรู้หากคุยกับใครจารู้สึกเหมือนอยากพูดเรื่องคันปากแต่ขณะเดียวกันก็นึกอยากห้ามใจไม่พูดคำนั้น กลับไปกลับมางอนแงนจะหลุดไม่หลุดแลนณขณะนั้ น, น, น, นคุณกำลังเห็นสภาพหวั่นไหวของจิตอย่างขนาดชัดเจนอย่าปลอยให้ผ่านไปเฉยเฉยให้รับรู้ถึงสภาพความหวั่นไหวนั้นเอาไว้จนกว่าจะแปรไปหากคุยกับใครถ้าอยากพูดเรื่องคันปากแล้วรู้สึกถึงสติที่มีความแน่นอน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 ปราบได้ที่ยังอดครวนเก่งเรียกหาแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วร้องขอแต่สิ่งที่มีไม่ได้ตราบนั้นไม่มีทางที่จิตจะเป็นสมาธิได้เลยความคร่ำครวนเดดดมเสียดายทั้งหลายแหลคือเมฆหมอกหนาทึกบกดบังจิตไม่ให้แจ่มใสเป็นสมาธิได้หนึ่งในวิธีที่จะกำจัดอาการอดครวนได้จริง คือฝึกที่จะปล่อยให้ตัวเองยินยอมเสียใจได้แค่แวบเดียวไอ้เวลาตัวเองเสดมเสียดายแค่ลมหายใจเดียวทิ้งลมหายใจเดิมเมื่อใดก็ให้กำหนดทิ้งอาการแย่ๆทางใจไปด้วยที่สำคัญห้ามยืดอายุอาการโอดครวนทางจิตด้วยการกล้ามครวนทางปากอย่าสแสวงหาคนรับฟังคาบ่นระ บ, บาย เพราะยิ่งเขารับฟังนานขึ้นเท่าใดคุณยิ่งได้หลักแหล่งทาจิตให้พล้าเลือนนานขึ้นเท่านั้นฝึกให้ชินรู้สึกถึงความเสียใจปิดปากไม่คร่มครวนลงมือทำสิ่งที่ควรทำทันทีฝึกฝนให้ได้อย่างนี้เพียงสักสองสามครั้งก็อยากแหลกใจจะเกิดความก้าวหน้าทางสมาธิได้อย่างชัดเจนนั่นก็เกราะ คนที่อดใจไม่คลั่งครวนได้คือคนที่รุดหน้าต่อไปทั้งงานทั้งโลกและความก้าวหน้าทางจิตหากอึดอัดมากจะบ่นระบายบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจเป็นอย่างดีถือว่าได้ระบายบ้างกับบ่นให้ฟังไม่รู้จบนั้นแตกต่างแต่เป็นคนละเรื่องการได้ระบายบ้างคือการปลดปล่อยแรงเก็บกด นับเป็นยาดีได้เหมือนกันแต่การบ่นให้ใครต่อใครฟังไม่รู้จบคือการซ้ำเติมตัวเองและกินเวลาคนอื่นเปล่าเพราะไม่มีนักบ่นรายใดได้ยินเสียงคำแนะนำดีๆของคนอื่นมีแต่จะฟังเสียงตอกย้ำซ้ำเติมไร้ายๆจากปากตัวเองกันเท่านั้น